พระธรร ม, มเทศนาจากปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแป๊กคำภูติห้าเรียบเรียงใหม่าจากฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยป่ออินสมชัยชมพูปเปลี่ยนทาหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจีจเยงไม ตัตสัพกาวโตตอราหโตสมาสัมปุทสัตสาสพนาราชิตาสรรริวารนาปาสตาโอโรหิตตวราชังกัญย์กันตวตี สาธวดุราส ป, ปุริาตั้งหลยตั้งยิ่งใจวมวนหมู่อันพร้อมอยู่นำนำการฟังธรรมนิสัยข้ากล่าวไว้เป็นมายว่านิสงหลายมากกว่างบออาจอังกานาจักมีพระญาอุงอาจหูจะลาดจบทอง ยังวัดกองแบบเฒา่ารีดเก่าปังลังหูยังตั้งเตี้ยวไต่จบแจงไข่หันใส่ว่าตั้งเส้นใดไปยากสัตวรร์ารหากมีลายยักเงย็นภพยเพจกาอยู่ปลายนาเกิดความกันบ่อสวาวางยังจอดอดใจสอดเตียวไปยอมสำรานใจเมื่อซอย ยู่เจื่อนจ้อยใจยบ้านือถึงนิบปานผ้าเสื้รือได้เกิดเมืองคนเรือเกิดบนจันฟ้าของแหล่งลาเมืองสวรรค์จู่เกินวันคำเจ้าบ่หม่นเศร้ามองขีํำรานดีจู่มือสมไฟเ อ, อื้อคนิ่งใน ตั้งเส้นใดไปง่ายหักมนันไรปาลามาช่วยจากก่าวจี้ฮือหูตีพันภายคนยิงใจาลางพ่องบ่อแจ้งส่งหันหนุนจะเอ่ยวนจื่นสุรีปลังลูตวยไปกันกาไก้ไปรอถึงที่จอดสุดปลายกลายเป็นอาบายตั้งสี่ ตุกลำตีนานำการฟังธรรมนิสัยเตียนย่อมได้ผาดยาฮือปิจารณาสันทีละเปลือกปีวางไปเอาแต่ในหยอดม่อนคือแกนแกนลอนซอนตนย่อมเป็นมงกลมผาเสิดฮือบังเกิดสดสดี ต้นนี้กาผากปนเสียจากอบายตัน้นตั้งลายทวนนามาอยู่ท่าฟังทำจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาดีวาสาปนาราจาทิตาดังนี้เป็นตนบัดนี้แ ด, ดเตอ สาปานาราชธิตาส่วนราธิดาน้อยนาตลงจากภาษารหควางมีจุมนางก่อมใจวังแวดไก่ตวยไปก้อยกาไก่เดียวต้องไปสู่ต้องลั่นหลวงอันใจปันปวงน้อยใหญ่มาพร้อมไข่นำนา พ่องจาาแก่เท่าฟันบุ่มเบ้าหลังคอจุกยืนป้อบอมันพอหัวสันเฟือนค้อนผมข่าวพรเสียงไขยถือไม่เต้าไว้กับตัวพ่องพอหัวล้านเกียงผมล่นเสียงหมดซอยพ่องผมอ้ อ, อยเป็นบอนพอตั้งอ้นดูนาะ พ่องมีก um าญาสูงใหญ่พ่องต้องไก่ปุ่มลามพ่องกอทารามขึ้นแถวพ่องฝึกแอวจาสศว้พ่องข้อยาวปากแหวงตามกำแตงปามายาำไขจาอูอีฟังบอทีเป็นกำพ่องตัวดำลายลาเขียวป้นปากปุ่นกัวพ่องมีตัวตำเตียพ่องง่อยเปียเสียขา พ้องเป็นวงสาเจ้อเจ้าพ้องเป็นลูกเต้าเศรษฐีลูกกาบอดีปอกาลูกไผฟ้าผ่าจ้าลูกเสนาอามาตมียดสักอาจเหลือลายจ้ใจตั้งลหลมวนหมูอันพร้อมอยู่จอมกันได้เล่งหันสาวน้อย งามจื่นจ้อยราติดามีนางกัญญาน้อยใหญ่วังแวดไก่ใหญ่ใหญ่ก่อยกาไก่ใหญ่บาทดังนังนาดกินนารีชมงามดีผาเสืวันนาเลิดเจียงคานนาตาบานย้อยแง้มสองฝ่ายแก้มเพียผิวค้ำยกติ่มตำเตียวต้องมาตัดจ้องกองตา อีเวว้าไหววันเลือตัวสันหนาวเย็นดังจักเป็นเบยไข่เงาเยาะไข่กาหยาพ้องพอตาพอคางอาปากกว้างลืมคิ้งต่างขาดิ้งขาคอยว่าปวงดอกซอยมาลาราจัธิดาใจจื้นเตียงจักยืนปันตน นางตามนน้อยนอเตาและพอบัดเดียวบอ่อและเหลียวลืมเล่าพ่อคนเก่าสองตีนางชมสียศใหญ่ลูกเต้าไทยผาปราพอจใจห น, า น, าน้านมเท่าตั้งแต่เก้าสุดปลายมีลวงลายอ่านหมื่นอยู่ระรื่นเต็มสะนามบอ่อหันงามสักผู เอ้ยบ่อสูวเปิ่งแปลงบ่อปุ่นแยงสักกากพอแล้วหากปุนจังใจบ่อวักไฟห้อยยังใจใหญ่น้อยคนใดเต้าอดใจมาพอตามเต้าตนป่อขับจําเยี่ยวเจ้าห่อคําป่อเต้าจักโคตเท้าเครื่องขี่อาดยามีบ่อจ้า คือคำคาเบื่อมอนสะลีบังออนล่อเบาพอแต่เก้าสุดปลายก่อปนานตั้งลายมวลหมูอันเป็นกูเตรียมตนว่าจักถอยหนุนคืนสูญยังตีอยู่หอกคำก้อยยกตีนตํ้เตียวต้องมาตามจอ้องกองตัง ซลีกิ่งบางยดเน่าลูกสาวเต้าผาปุรีก็หันกะฮะบอดีผู้ใหญ่มีแปะอยู่ใกล้จอมตนพอดูคนงามอาจดังสุวรรณนาจัดคำแดงนงงงังเล่งแย้งพอก้อใจไฟห้อยพานีจิงไขไวาตีทาเรา ว่าดุราป่อเทาแดนไก่แปะคนใสผาเสิ้งาลำเลิดเปิ่งแป้งดังคำแดงล้อมล่อเป็นของป่อมานานหรือลูกลานปันเฮรือว่าซื้อปลามากันกิตานาขายขาดเปื่อเอาบาดคำขาดจุงกฎราคาก่าวจี้ือแจ้งทีตามราย เรานี่หมยไขใดเอาไปเลี้ยงไว้ดีีกะบอดีผู้เทาอยอมือต่างเก้าเดือหัวว่าเป็นของตัวขินคาบอดใจปูปลาวงวานหรือลูกกลานปันหื้อบอดใดแหลกซื้อดีีจุ้มเศรษฐีปอก้าคนต่างนามหันต่างปะกันไข่ใด จบเงินบาไตวางตำมีนานำโกตือเพื่อขอซื้อป่าไปคาตัดใจบอกขาดคือบ่ออาจจักขายบ่อใจบ่อไม้ไครใด ยังเงินบาดไตคำใสเต่ามีใจรักขอดอยังแปลยอดงามตากันราด จ, จะทีดานยยดใจมีใจใครได้นำไปค้ามีใจจมจืนข อ, อยกยืนยอดถายปันได้ได้แต่ใส่บ่เอาเงินบาดไตคำดแดงเลยนะ สังสุตวราชทิตาอันวราชาทิาาาาทดานยอดซอยใดยินถอยว่าที่อันกะบอดีผู้เทานบกมเก่าทุนสาร <c oughs> มีใจบ้านหลายแลจริงเก่าแก่กำไปว่าเงินคำใส่บักเต้าแห่งป่อเต้าเจ้าเรามีจะคือนางตาสีกวนใจ รีบสะใสะไปขอตามใจปอป่อเท่าจักเอามักเต้าปันไดจุงจักไข่ออกปากตามใจหักคนิงหม้ก็ <c oughs> นางกิงผายหน่อยนาดก่าวเสียงขาดว่าตีกะฮะบอดีผู้ใหญ่กอกับไม้ทุนสาวว่าค่าได้จ่าก่าวจี้ เมื่อตากีเดิมตีว่าแปะงามดีนี่เล่าขอถาวายแก่เจ้าราธิดาเงินคำขาบาดทคขาบ่ไฟใจไม้เต้าขอถาวายยกยืนด้วยใจจืนจมบ้านเหม่นเบิงนานปลายนาตัวแห่งขา้าเครื่องขี่อันตรายมีมารอด เรือถ้าหมดเข็นใจจักขอไปขับไปเฮือหูไข่ขี่ญ้าขอราดที่ดาแ่นฟ้าช่วยตัว้าไปลลุนขอเปิ่งบุญเมื่อซอยหอื้อหายต่ำก้อยมองขีนังชมสีหนอนเฟังกาบอดีเท่าจะใครยินีิจจมจื่นปีตีตื่นเจยบาน ปฏิ ญ, ญาณผำรู้รับคมสูจูอันอันต่างไขปั่นต่อถอยมีบ่น่อยนานาแล้วอำลาปูเท่าเปื่อปอกเต่าห่อควาง เอื้อจุมนางแกว่งใจจูงแปะใหญ่จอมหลังกันเถีงยังที่อยู่ก็อฮื้อหมูกันยาหน้ำแปะมาเลียงไหวในห้องไตหอตนก็มีหันแลยนะ สเปเตปูริสาส่วนใจตั้งหลายน้อยใหญ่มีพร้อมไข่ปันปวงเต็มควงลวงอดเอ้าตั้งแต่เจ้าถึงควายตั้งคานิ้งใยไฟหอยว่านางอ่อนน้อยสาวจีจากยืนดวงดีดอกไม้ฮือต้นใดเป็นสามิกาเป็นเคยพญายดยาวคนดื้อตัวดาวเวียงใจ กำคาดิ่งได้นันใส่บ่อหอนได้ดังหมาย้อนบุญลายมากว้างตัวบ่อได้สร้างเตรียมมากำผาทานานันเล่าจริงตกตาเป่าเสียสรงบ่อสมพรสทรงสักกากจูฟูหากบองขีเหตุจอมนารีน้อยหนอบ่อฝากลอจะใครบ่อเอามาไหลดอกซ้อม ยกยืนโน้มปันตนกันดางตามุนน้อยนาดใดแเป๊ะอาจขนคำแล้วหือนำไปไว้อยู่ตีไกพังกาใจหน้า น, านาุ่มเทาหันนางดอนเาผ า, านีียังเป๊ะตัวดีงามอาจนำไปภาศาสตรอดจันต่างปะกันก่าวทอย มีบ่อน้อยนานาองเครื่องกาโคดเท้าอางตานเก่าเตียนควันต่างป้ากันปอกสู่ยังตี้อยู่เฮือนตนเขาต่างคนต่างเก่าวฮือหูขาวเยาวไปเจ้าวเวียงใจเหล่าเศ้าไข่เขตดาวธานีเจ้าปุรีตนปอู ว, ว่าลูกนอใส่ใจ บอ่อปลาไผ่สักภูมาเป็นกูเ่เคยเมืองตังโยทาเรื่องยอดใหญ่คุณแก่นใจสักการรีปนหานบวนหมู่บ่ชอบสู้คนใด ตั้งคนหด่ไผน้อยก็บ่อไฟหอยปีญ่าเต่านําแปะมาเลี้ยงไหว้ฮืออยู่ใต้หอตนจุ่มหมูคนตัวดาวต่างต้านเก่าเตียนขวัญ เจ้าจันยศใหญ่มองมนไม่เครื่องกาเต้าปิตจารนาที่สัน้นขึ้นสอดดันตามไราวาร้อยว่าใจาบุญกว้างใดก่อสร้างเตรียมมา กับตัวที่ด้าดอลาเกิดอยู่ต่างนาแดนไกในเบียงใจต่างห้องหรือในเถื่อนทองดงตันบุญบ่อตันมารอดเว้นบ่อสอดมาปาน สรีนงคานลูกซ้อยจริงบอ่อไฟหอยใจยได้กวรรอไปไปนานางลูกลาสายตาเตียงได้สามิกาบบนใหญ่าตามมักไฟคะนิงมา เต้าบุญภายตนป่อกานดิ่งต่อยาวไก่จิงอดใจไห้ได้บ่อโคตรไม้เรื้องขีส่สวนนัง่งชมสีอ่อนน้อยกือนางยอดซอยรดัดเจธิดาก่อหือนางกันยาน่อยใหญ่ผู้แกว่นใจเตรียมใจเอาแปะคนใสงามอาจไห้ไต้ภาษาสตรเจียงคานฮือกินอาหารหลายสิ่ง ราสาหญิงนานาถึงเวลาคำเจ้าก็ไปพอเฝ้าเล่งแยงลูกแปะคำแดงจใจด้วยใจไฟภานี้ก็มีหันแลยนะเทกาตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งเล่านอพระเจ้าขุนทำคือแปะคนคำนั่นใสก็ผาธนาได้ยังญาน ทันเจียงคานผ่าเสด็มาบังเกิดในใจคือข้านิ่งในเกิดขวาดทักถึงจาดฟังลังว่าติตั้งจาดก่อนเป็นเด็กน้อยอ่อนอนาถา ทุกโซกาถูกต้องหาปีน้องจอมกันแม่จอมควันตายกว่าได้เป็นกำา้ามองผ่านก็ตทำการ น, น้อยใหญ่แม่น่าใจเขค่าจูเวลาบ่กขาดร้อนไม่มาดคืนวันจริงปะกันพร้อมนาไปสู่ตาวังวนยกเอาตนตัวเกา่าเอตานแก่เตาปูปา ตั้งสัตนาดามวนหมู่กาอันอยู่วังทานแล้วอาทิฐานไปเกิดในกำเนิดนานาปีสายตาผู้เก้าขอเกิดเป็นเสือเทาดงดาน มีปาริวานลายหลากจูผู้หากอาศาปีผู้ถัดมานั่นใสภาธนาไว้เป็นไม่ว่ากันได้ตายกาผากลาละจากเมืองคน ขอเอาตนไปเกิดในกำเนิดนากาได้เป็นพญาแห่งนาคฤิตที่มากเจียงคานอยู่สำรานจื่อจอยในผาศาสโซยคำแดงป ร, ริวานแฝงแวดเฝ้าจูคำเจ้าวันยามปีผู้ทวนสามดันเล่าตั้งกำเกา้าผาธนาว่าขอเกิดในดงนาป่าไม่ เป็นหุงใหญ่เจงคาน้นหิมมาปานปากกว้างไัยบ่ออางเตรียมตั้นส่วนปีจอมขวันทวนสี่ได้กาวจี้เป็นไม้ว่ากันได้ตายความนาขอเกิดจันฝ้าปลาบนเป็นเตวาบุตรตนวิเศตรูแจงเหตุจูพัการ ส่วนกุ ม, มารน้องซ้อยตุกกจ้งห้อยบองเงาคือตัวแห่งเรานี่ใสผ า, าธนาไว้เป็นธราวะกันมรนากาภากตายละจากเป็นคนขอเอาตนไปเกิดเป็นแปะเลิดขนคำคือคนหน้านำใหญ่น้อยใจไฟห้อยพานี กันผาธานาดีพร้อมไวยตามมักไฟไฟมันก่อปะกันตั้งหมูป่าลงสู่วังท่านจิตตาวิญญาณนีจากหล่อแต่สักได้ใดเคือว่าตายมวยม่างบ่อเลือข้างคนได้กรรมอาทิตย์ทานใจนั่นใส่เราหากใดดังไมย หนอพระบุญพายตนเลิดแล้วคือแปะมิงแก้วขนคำบุญหลังน้ำส่งอยู่กึดขวัดหูหันไกว่าปีใสใจลุ่มเนา่าตั้งสี่เจ้าคำใจก็สมมายมักไฟตามพาธนาไวจ้จูคนคนนอตาสะปนตนผ่าเสดเกิดเป็นแปะเลิดเจียงคาน หันอาติตาการแจง้งขีบอบิตรสงสัยยินวิจัยจมจื่นปีติตื่นนำนาแล้วกิตานาติดต่อหวานหางน้อยดอแปลงเมืองคืนนางบุญเรื่องโลกลาแห่งเจ้าฟ้าผาปาราเอาเรามาเลี้ยงไว้ฮึ อ, อยู่ไตห่อ้าง จักว่านงยอดซอยใจไฟห้อยขุนนาหรือบุญหลังปามารอดนางได้ตอดตาหันมีใจวันจืนซู่ <c oughs> ใครเอาเป็นกูานานไปกวนลองใจนางพอฮือแจ้งต่อสายตาโนอูุทธาตนผาเสดเกิดเป็นแปรเลิศเจียงคานก่ออาทิตฐานบ่อจ้า ว่ากันตัวคามีบุญสมปานุนบอกคาแต่ลายจาดเดิน ม, มามี่มนามากว้างได้ก่อสร้างจอมกันกับสลีสุพันยอดเห้วโลกสาวเต้าเนื้อหัวคอหือตัวแห่งคาได้กับเป็ดนาเป็นใจรูปทิ้งภายองอาจ วันนาวลาเจียงคานทารงอลังการเลิศแล้วออกจากขาแปะแก้วบัดเดียวเจ้าตาเขียวบุญใหญ่อาทิตย์ทานไข้สุดกรรม <c oughs> ก่อราขาแปะคำข้างไว้ออกมาได้ดังหมยเป็นคนใจหนุ่มนาวผิวบ่อเศร้าเจียงคานมีอลังการพอ่อไข้ อาดับใจตัวตนดังเทวาบุตรบนจันฟ้าลงแหลงลาลงฟ้าแล้วไกลกาายย่องขึ้นสู่ห้องหอในหันศีงไว้หยอดซอยลับมะม้อยเดียวได้นา่งกันญ่าลายมวนหมูหากนอนอยู่แดนไกลเจ้าแสงไอ้ตีไกเพือกหอนางใดมืนตา ราชาธิดาคำมืมนสะดุ้งตื่นสะพันเป็นดังฟันแต่เล่าหันใจหนุ่มเนาเร้วร่าลักคานางามองอาจดังเตบ่าบุหยาดลงมาบ่ใจมานุสาต่ำใ่มาอยู่ไกล้ต้นนางสะลีกิ่งบางน้อยหน่อสั้นตาพอบัดเดียวบ่ตันจะเลียวทามที เื่อเสียงตีสังกาโนปุท่าบุญใหญ่ก็บ่ออยู่ไกลดันไปรีบเปยวไว้ว่าว่องออกจากห้องหอนาง ลงห่อควางไว้วาดเข้าขาดไปอาจสปันภัยบ่หันสักผู้ภัยบ่หูสักคนนอตะสะปนยอดจ้อยลองใจนางนาดน้อยลายตีแลยนาเอกัมปนาระติ่งยังมีคืนหนึ่งใสานางดอไทยชมสีก่อไขวาตีก้าอูบอกแกหมูนางใน ว่าเราอาจสาจันใจลายลากึดแล้วหากสังกาลายขึ้นมาวันก่อนดาเตียงคนรวยทีนั่งกันอย่ามีม้วนหมู่พงลับอยู่เหมือนตายเราเดียวดายปิกฟื้นสะดุ้งตื่นมืนตาปิจารณาสั้นทีบ่แม่นตี้กำฝัน เราได้หันแต่เล่ายังใจหนุ่มเนาเรล่างามเราบ่อตั้นถามออกปากใจนั่นหากหนีไปเราบ่อได้ไข่เกาือสู่เจ้าหูหัวตีสู่จักจาบอดียอดใหญ่ว่าเรานี่ใสใจเวกวังเมาเสกขึ้นรอดไข่ได้ยอดสามีกา วันนีนาะสู่เจ้าอย่าหลับเจ้าดังตั้งวันเฮือปะกันตั้งหมู่แสงนอนนิ่มอยู่ไ ด, ด้ได้กันเราหันใจคนเก่านำตนเข้ามาจูจักบอกสู่จูฟูเฮือได้หัวและหันสู่จังสู่จุงปะกันแวกไกยับเฮือได้กับมือ นางบุญลือดหยดเย้าใดบอกเก่าวจะใครหฮือนางในน้อยใหญ่หูแจ้งไข่อุบายนางตั้งหลายจูผู้รับคำสู่อาสาต่างผาธนาไข่พอยังเจ้าหนอใจรามกันมัดที่มายามมาไข่นางก่อมใจกำนันก่อปากันนีห่าง ไปนอนค้างหิมฝาดังตั้งวันมาเมื่อก่อนตัดตีบอลเดิมตนพ่องแสงคนสะสู่พ่องแสงรับอยู่เหมือนตายยามนั่นหนอพระบุญภายตนเลิศแล้กก็ออกจากขาแป้แก้วขนคำยกตีนตั้ใบหว่องเข้าสู่ห้องหอหน แสงจะไหมดังเก่าเปือหือ้นนังนอนเนา่ามืนตาราชาที่ด้กินกูพงถ้าอยู่กองหันก่อเรียวปันเป่าร้องดังไข่หองไปในนางเตียมใจมวนหมูได้พำรู้สัญญาป่ากันมาแวดไกยับเจ้าไว้บัดเดียว บ่อตันหื้อเลี้ยวปิกปอกบ่อตันหื้อออกไปไหนสักหลีนองไว้ยอดซอยจริงงก้าวท้อยจะทำบาดุราใจารำหนุ่มเนาตัวแห่งเจ้าคำใจได้พันภายเตียวต้องมาจากค้องแดนได้เป็นคนไต้ไพาราตรืออาตมัเสนา เป็นภาญาภาพดาวหรือโลกลานเต้าเมืองใดหรือยักษ์ดงไพรพ า, ายเพชร ท, ท่าแหลงเปชมหาหรือนาคาต่ำไต้กับเป็ดใดเป็นคนหรือขุนอินตนอยู่ฟ้าผาแหลงลาสองสว้วนใดเล่งหันยังเหตุอันอาเป็ดเปิงกัว จากมาถึงตัวแห่งคาจิงลงจากฟ้าปลายบนเปื่อมาบอกตนข้าน้องหฮือแจ้งส่งขี่ยาหรือเป็นโจรปาลาลักย่องหมายเอาเครื่องยองขวาบใบเป็นสันได้ใจหยาบบ่อสุภาพตามธรรมยกตีนตั้ย้ายบาทเข้าภาซาดใส่ศี ยามร้อยทีมืดค่ำจูผู้พำมนอนในพิษวิสัยแบบเบาพิษอาจญยาเจ้าผาปาราโตดนำนาลลำล่นเตียงบอกปนตั้งตาย อานิหมายครหูคอเกาอูตามมีนอมูนีบุญมากจริงออกปากไขจวาวาดูราราจาธิดายดใหญ่พี่บอดใจคุณสวรรค์ บอใจกุ้มพันอยาก้ายเตี้ยวต้องภายมหาบอใจนาคาวิเศษท้าแหลงเป็ดเป็นคนบอใจโจนต้องพายผู้อย่ารไร่สามานบอใจโยทหารอาาดเรือลูกเต้าที่ราชเมืองใดปี่เป็นคนไหนไพน้อยเจือต่ำโต้หนานำ หนอขุนธรรมบุญกว้างจริงก่าวอ้างไข่จ่าลำดับมาแต่ต้นติดสืบสนถึงปลายหื้อนั่งขิงภายยดใหญ่หูแจง้งไข่ตามมีแล้วไขว่าตีติดต่อวดดุรานางงนอทิดาผูทรงโสพานหยดเยาใจท่าใจเท่าเ ท, ท่าเร่รารำได้หันนางงามอ่อนน้อย ทางใจไฟหอยมอวินนอนกลางคืนใจจอดทันแต่ยอดนารีปีบอดีแต่โสดหววูว่ามีโตดหลวงลายก็บอกกลัวตายความนาย้ nh อนใจปันบาเววาไขหันสีสโซภาดอเน่นาทุกคำเจ้าคืนวันจริงได้ไายพัน ย, ย่ายบาดขึ้นภาษาดมาจู เปื่อพอดูด่างแก้วคือเป็นตีเลลวมโนในปี่จังไรต่าต้อยดังข้าตายน้อยสามาถอยู่ดินดานคุ้มยากหันเดือนอยู่้าแดงใสยินมีใจไฟหอยเงเนนาพอคอยได้ได้บ่มีหมายจักใดไปอยู่ไกลดวงเดือน บ่าวังห่วมเฮือนห่วมห้องเต้าคอสั้นส่องดูได้กันนางทิ้งผายยดใหญ่นิ้นโคดรหม้เครื่องกาจุ่มหือนางกัน้าทวนนามัดตัวคานำไปหื้อเจ้าหอใจตนปอใได้แจ้งต่อสายตาหื้อมีอาทยาป่งขาดนำไปฟักฝาแตงฟัน หอื้อดับพันมุบมู่บ่ฮือได้อยู่ด้านไปกันสีลงไว้ยอด้อยใจไฟห้อยพานีข<ม>ุนนบีงดโตอดอันไร่โหดป่าลาจุงฮือนางกันยาปล่อยขาจากใดผากนาหนีไปบัดนี้เลยนะ ระเจ้าธีด่า่อเดาได้ฟังเจ้าไขาปันยินอัศจรรย์ลำตีบ่อแจ้งทีสังกาจิงหือนางกัญญาก่อมใจพู้อยู่ไกลเตรียมใจว่ามึงจุงไว้สาไสาไปพอไตฟังกาพอแป้งงามตาผ่าเสิดขนคำเลิศใส่สีตัวมันมีดังเก่า หรือมีแต่ขาบเป่าได้ได้แล้วพันภายปิกปอกวายนาออกมาว้นางเตรียมใจผู้แก่นลูกแล้วแหลนไปปั่นถึงใต้หอจันภาษาตวบ่อหันแปะอาจคนใส่ซะออาหาไปลืมเล่าหันแต่ขาบแปะเป่าได้ได้ตัวแปะหายผากนาขาบอยู่ปื้นพาขวใบ จิงเร็วไวมาไวบอกนางน่อไทยตามมีนางชมสีนยอดแาวลูกสาวเต้าผ่าเปียงใจอัาจันใจหลายลาคืดแล้วหาควนอามพอใจรำนุมเนาบ่เหมือนเชื้อเผาเจ้าได้มีวันไวผ้าเสิ้ลักขานเลิศเปลืงแป้งนางเล็งแยงพ่อคอยลวดไฟหอยปญญา มีสิเนหหาเกิดตองในแห่งห้องหอระไทยมีหัวใจไวววันบ่ตั้งมันสันดีดังลมตีจ่อน้อยกัดแกว่งห้อยไปมา จริงหื้อนางกันยาหน่อยใหญ่วังแวดไว้จูป้ายเพืือบ่อหือ้อใจต่างนาใดย่ายกว่าละนีเสียงร้ายที่ขึ้นรุงตาวันปุ่งพดมาก็มีวันนั้นและนาเนธิตังขีญยาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุสุวรรณ น, นแปรคำผูกทวนหา ปางนางน่อลาทีาไื้นางกัญญาน่อยใหญ่แวดเจ้าไว้จูไปกันคนได้ไหมใครรู้ว่าเจ้าจักอยู่หรือหนีจักเป็นดีไปนาเือตกต่ำจ้าสันได้ผูกต่อไปจักก่าวหือหูข่าวตามรายผูกนี้สุดไปเต่าอีเต่านี้กอบังกมสมริจเสร็จแล้ว เต้านีก่อนและ